Aqawato arahato sama Sambutatsa na'mutatsa Aqawato arahato sama Sambutatsa na'mutatsa Aqawato arahato Sama Sambutatsa Iudali at senipetitaya, butat perisaya. Kajit ha pa'yegit pangglu di ma'mar s'adu sa'yafari, s'yafem usunui. Bé, l'esmidi, ti i i i i et fra i n i i i i i i i i ก็มีกําลังได้เหมือนกันเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นตัวน้องอัลลาน ก็อยู่กันพี่ครับวันนี้เป็นเรื่องโลกศาสนาเรา ประกอบด้วยการด้วยบุคคลและเวลาเราก็ไม่ควรที่จะกล่าวประโยชน์วาจาที่ไร้ เป็นวาจาที่บริสุทธิ์ไม่ว่าเราจะกล่าวทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินก็หรือ แม้แต่สมบัติเป็นส่วนกลางใครๆ เว้นจากการอคายบาทาคาชหรือเบียดเบียนอ่าซึ่งบุคคลอื่น จึงทายวาจาที่บริสุทธิ์แล้วก็ ถึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงวัฏฏสงสาร 16 ชั้นนี่ ด้วยกุศลบุญกุศลที่พวกเรา อาทีกัลยาณังมัชฌิกัลยาณังปริยโสและกัลยาณังคือไปเลาะในเบื้องต้นคือศีลไป ข้อที่เห็นได้ว่าไพรเลาะใน ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งว่าเป็นกําลังของชีวิต เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการบุญการกุศลไม่ว่า ให้เจริญและนอนเนื่องอยู่ในกุศล เป็นอานิสงส์ทรงจากมาจากคําว่ากะสังคุณโย อันตนได้กระทําไว้แล้วในทางก่อนเป็นปฐมเหตุทรงให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ชีวิตก็คือศรัทธาศรัทธานี่แหละเปรียบเหมือนเพื่อนสองของเราถ้า ทุกสิ่งทุกประการก็เพราะด้วยอำนาจเรานี่แหละเป็นผู้ทำไว้ให้กับตัวของเรามาก่อนทรงมาให้เมื่อเราทราบดังนี้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่ควรจะอาศัยกับประมาทธรรมมัวเมา เราควรจะต้องอาศัยความอัปปมาทะธรรมและปัจฉิมวัยว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายแล้ว คนไม่ประมาทอยู่เสมอผู้มีสติตัวระลึก สอนให้เราเรียนรู้ถึงความชั่วแล้วนั้นท่านสอนอย่างไรๆกระฏิกิจของเรานั้นให้ก้าวต่อไปเราก็จะพบเห็นคําสอน ความชั่วทั้งภายนอกภายในที่มีอยู่ในส่วนสาย ให้ทานมีการเสียสละมีเหตุผล สิ่งที่เราได้มาโดย ว่านักปราชญ์บัณฑิตคือว่าเป็นผู้ฉลาดแล้วคน กิเลสภายในจิตใจของเราได้แก่ความที่จะเป็นอาวุธตัดกระแสแห่งมันก็เป็นสิ่ง ให้เกิดมีขึ้นเกิดมีขึ้นในฝ่ายในวาจาและก็ในจิตๆนี่คือเป็น ความเป็นปกติของกายวาจาก่อนอหํสมณโณดูตัวของเรา ร่างกายเราหรือร่างกายเรามันเจ็บๆนานามั้ยคือให้ได้รับความเจ็บบุคคลผู้ใดไกลปีหนึ่งมา ทรัพย์สมบัติปัจจัยเป็นที่อาศัยเราต้องการไม่ใครมาลัก มีฝ่าลูงหน้าอาปุญญาตาชวดไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์เป็นสหายไม่ว่าจะเป็น เมื่อเรามีปกติจิตของเราอย่างนี้จิตของคนอื่นล่ะจิตของคนอื่นจิตของ การที่พระวางตรากฎบัญญัติเข้าไว้ให้ 5 ก็ดี 8 ก็ดี 10 ก็ดี 227 ก็ดี เมื่อเรานําตัวของเราพร้อม 5 ก็ดี 8 ก็กรรมบทศีลก็ดี 227 ก็ดีเหล่านี้ วาจาของเราก็อยู่ในความเป็นปกติ วาจาก็เป็นไปตามใจเมื่อใจปกติวาจาก็เป็นปกติขึ้นกายของเรา แล้วก็น้อมเข้ามาสวมกายของเราเหมือนย่าของเราห่มผ้าจีวรนุ่งจัดความ ตลอดซึ้งสัตว์เถือกทานก็ดีเล็กๆน้อยๆมันก็ป้องกันได้ตามหน้าที่ ให้ผลตามหน้าที่ของมันผลตามหน้าที่ของมันคําว่า ในหลักวิชาการนั้นๆเมื่อศึกษารู้ทั่วถึงแล้วก็พยายามล้อมตัวของ เมื่อได้วางไว้เพื่ออบรมกายวาจา สัพพปาปัสสะอกรณังกุสลัสสูปสัมปทาสติกาปิโยทปานังเหตุังพุทธารศาสนัง ให้ภากันนอม นำไปพินิทย์พิจleme รู้เห็นแจมแจงเป็นสถิภัณีบินยาของสนก็จงพากันอาศัยซึ่งความไม่ประมาทพระช่วงพากันอาศัยซึ่งความไม่ประมาทได้ภากันประพุตย์นำไปประพุตย์ปฏิบัติ ก็ขอบ